เฉพาะอย่างยิ่งแก่นักบวชจะได้รู้จักวิธี พ, พิจนารณาอันนำมาซึ in ่งความสงบร่มเย็นภายในใจดังนี้ก็เร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี้ก่อนตอนอสุภนี่สำคัญอยู่มากนะสำคัญมากจริงๆ พิจารณาอสุภนี่มันคล่องแค ล, ล่วแกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้เต็มตามความจริงที่ฉิตกล้าหานนะ่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงเท่าๆแก่ๆละ่ะให้มีแต่หญิงสา ว, สาวเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นนะ่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั่นได้ โดยไม่มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยนั่นความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมองดูคนมีแต่หนังห่อกระโดกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโรคไปหมดมันเห็นความสวยความงามที่ไหนเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็แบบนั้นหมด แล้วมันจะเอาความสวยความงามมาจากไหนพอให้กำหนัดยินดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกเอาผู้หญิงสาว ส, สวยๆนั่นแหละบุกไปได้อย่างสบายเลยถึงคราวมันกล้าเพราะเชื่อกำลังของตัวเองแต่ความกล้านี้ก็ไม่ถูกกับจุดที่จิตอิ่มตัวในขั้นกามราคะ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 จึงพิจารณาพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับพลิกอันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั่นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามนี่เราบังคับนะไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะมันชํานาญนี่จึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามแล้วนํามาติดแนบกับตัวเอง นี่วิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามรูปอนนะันตติดแนบกับตัวติดกับตัวไปมาอยู่อย่างนั้นเอามันจะกินเวลานานสักเท่าไหร่หากยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาหากไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีสังขง Saranam g a r c